วิเศษนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองก้อนเมฆและในเมืองก้อนเมฆก็มีจิตกรที่มีความสามารถคนหนึ่งชื่อเ Albert. อ Albert าเบิร์ตเอาเบิร์ตวาดรูปได้ดีมากจนหลายครั้งที่หลายคนคิดว่ารูปภาพของเขาคือของจริงเขาวาดรูปเหมือนให้กับคนรวยในเมืองและได้รับค่าตอบแทนที่ดี และมักพกที่วาดรูปของเขาไปทุกที่และเลือกที่จะหยุดบางที่เพื่อวาดรูปเขาวาดได้ดีมากเขาจะวาดพระอาทิตย์ผ<ฮ>ลไม้และภาพเหมือนคนและเขาทำให้มันดูเหมือนจริงมากแต่มันเป็นเมืองเล็กเขาวาดรูปได้ไม่มากนักเวลาผ่านไปงานเริ่มที่จะหายากมากขึ้น แม่นำที่เอาเบิดมักไปวาดรูปพระอาทิตย์มีต้นไม้สวยอยู่เอาเบิดรักต้นไม้นั่นเขาวาดรูปต้นไม้นี้หลายครั้งและยังไม่เบื่อเขาคุยกับต้นไม้เหมือนต้นไม้เป็นมนุษย์โอ้ไม่เอาหน้าต้นไม้สัน่นใบไม้สักหน่อยสิเธ <laughs> อรู้ไหมบางทีรู้สึกว่าเธอได้ยินฉัน แต่เอาเบิร์ตไม่รู้ว่ามีใครอยู่บนต้นไม้และได้ยินที่เขาพูดรวมถึงชอบรูปวาดของเขามากมันคือพิกเกิลพิกซี่ต้นไม้นั้นคือบ้านของพิกเกิลเธอขี่อายและชอบต้นไม้ใบไม้ใบไม้หนาหนาจะทำให้เธอเย็นและปลอดภัยฉันอยากให้เธอได้ยินและช่วยฉันเธอรู้ไหมล่ะมันไม่มีงานที่เมืองนี้อีกแล้วฉันไปทำงานที่เมืองอื่นได้ แต่ที่นี่คือบ้านของฉันฉันไม่อยากไปจากที่นี่ฉันไปจากที่นี่ไม่ได้ฮแต่ฉันเดาว่าฉันต้องทำอย่างงั้นที่ฉันรู้ฉันรู้แค่เรื่องวาดโรคและฉันคิดว่าถ้าไม่มีใครที่จะซื้อภาพของฉันที่นี่แล้วฉันก็คงต้องย้ายไปอีกเมืองหลังจากเอาเบิร์ตไปพิคเคิลเซา หายเขาไปฉันรักภาพวาดของเขาเขาเป็นคนดีและซื่อสัตย์ฉันจะทําให้คนซื้อภาพวาดของเขามากขึ้นได้ยังไงกันนะอือเดี๋ยวนะนั่นไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงคือเขาไม่มีรายได้ฉันไม่สามารถบังคับให้คนซื้อภาพวาดเขาได้แต่ฉันสามารถทําให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการหลังจากที่คิดสักพัก พี่เก้าก็รีบกลับไปที่โพร่งและเริ่มงานของเธอเธอทำงานทั้งคืนและวันรุ่งขึ้นเธอพร้อมสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเธอมันคือดินสอส่องแสงที่สวยอาฮะนี่มันจะช่วยเอาเบิร์ต บายวันนั้นเอาเบิร์ตจะไปวาดรูปต้นไม้โปรดของเขาตามปกติบนก้อนหินเขาเห็นดินสอว้าวมันส่องแสงมากนี่มันคือดินสอที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตฉันเลยของใครกันนะฉันไม่น่าจะหยิบมันขึ้นมาบางทีเจ้าของอาจจะกำลังตามหาอยู่อา เอาเบิร์เดินกลับไปโดยที่ไม่ว่าต้นไม้นั่น mm. เขาไม่อยากจะทิ้งดินสอไว้แต่ก็ไม่อยากเก็บของคนอื่นมาวันรุ่งขึ้นเอาเบิร์ดมาเร็วกว่าปกติและเขาก็หวังลึกๆว่าอยากเห็นดินสอนั้นอยู่บนหินและมันก็ยังอยู่โอ้มันยังอยู่นี่อืมบางทีอาจจะไม่มีเจ้าของ ฉันได้ยินเรื่องป่านี้บางทีอาจจะจริงก็ได้นะบางทีอาจจะมีเวทมอนต์อยู่ที่นี่เอาเบิร์หยิบดินสอขึ้นมาและลองใช้เขาเอากระดาษของเขามาและเริ่มวาดใบไม้อย่างสวยงามดินสอวิเศษภาพวาดของฉันไม่เคยดูสวยงามขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้เดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นใบไม้เริ่มมีชีวิต และใบไม้ก็อยู่บนกระดาษของเขาฮะนี่เป็นไปได้อย่างไรเอาเบิร์ตจับใบไม้อย่างระมัดระวงังและวางไวขง้ข้างๆเพื่อที่จะลองดูอีกครั้งเขาวาดแอปเปิลทันทีที่วาดเสร็จแอปเปิลก็กลายเป็นแอปเปิลจริงโอ้ไม่นี่มันดินสอวิเศษฉันสามารถวาดอะไรที่ฉันต้องการก็ได้เอาเบิร์ตมีความสุขมาก เขากระโดดโล่อเต้นและวิ่งกลับบ้านพิกเกเห็นเอาเบิร์ตกลับไปและดีใจที่ได้ช่วยเพื่อนที่มีความสาบาัญเธอรู้ว่าเธอทําสิ่งที่ถูกและเชื่อว่าเอาเบิร์ตจะใช้ดินสออย่างฉลาดเมื่อเอาเบิร์ตมาถึงบ้านเขาเอากระดาษวาดรูปขึ้นมาและตื่นเต้นที่จะวาดอะไรก็ได้ที่เขาต้องการอย่างแรกเขาวาดอาหารจานอร่อยแต่ด้วยความตื่นเต้น แทนที่เขาจะวาดมาม่วงสวยๆเขากลับวาดวงกลมและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาลบมันออกและลองวาดใหม่เขาตื่นเต้นมากอีกครั้งที่เขาวาดเพียงเส้นวงกลมและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาลบมันออกและลองวาดใหม่เขาตื่นเต้นมากอีกครั้งที่เขาวาดเพียงเส้นวงกลมและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดเขาใจเย็นลงและเริ่มวาดอีกครั้งเขาอดทนและใช้ความสามารถเขาวาดมะม่วง ทันใดนั้นมั่วงก็ปรากฏขึ้นเออดินสอนี้จะให้ของฉันก็ต่อเมื่อฉันตั้งใจและวาดอย่างระมัดระวังอืมสิ่งที่เอาเบิดไม่รู้คือดินสอนี้ทำมาเพื่อเขาเท่านั้นไม่มีใครในเมืองสามารถวาดรูปสวยได้เท่าเขาพิกเก้ารู้เรื่องนี้ เขาจึงทำดินสอนี้ขึ้นเพื่อเอาเบิร์ตและไม่มีใครขโมยไปได้หรือใช้ในทางที่ผิดเธอต้องการให้เอาเบิร์ตใจเย็นเมื่อใช้ดินสอเธอรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนที่จะไม่เสียความใจเย็นในทุกสถานการณ์เมื่อเอาเบิร์ตเข้าใจว่าจะใช้ดินสออย่างไรก็ไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้เขาวาดทุกอย่างที่เขาเคยฝันอาหารอร่อยพืช ชุดและของตกแต่งบ้านเขาใช้สีระบายรูปวาดและวาดดอกไม้สดทุกวันเอาเบิร์ตมีความสุขและทำให้เขาอยู่อย่างสบายและไม่นานมันก็เริ่มสบายเกินไปว้าวอะไรต่อนีละ่ะฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วฉันสามารถทาอะไรกับลินสอนี้ได้ อ, อีกฮึทําไมฉันไม่ช่วยคนที่นี่ละ่ะ ฉันสามารถวาดอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการทันทีที่เขาตัดสินใจเอาเบิร์ดก็รีบไปหาเพื่อนสนิทเขาในเมืองและอธิบายทุกอย่างให้ฟังไม่มีใครเชื่อเขาในตอนแรกโอ้ไม่เอานะมือนายคงว่างมากเกินไป <c oughs> นายพูดถูกนายเริ่มเล่านิทานแล้วเหรอนี่มันไม่ใช่นิทานนะเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดู อัลเบิร์ตรู้ว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งอยากได้รถแทรกเตอร์เพื่อที่จะทำงานในทุ่งได้ดีขึ้นแต่ไม่มีเงินซื้ออัลเบิร์ตเอากระดาษของเขาออกมาและวาดรถแทรกเตอร์อย่างระมัดระวังเอาละ่ะทุกคนถอยออกไปข้างๆนะไม่นารก็มีรถแทรกเตอร์ออกมาตรงหน้าพวกเขาทุกคนเทียอัลเบิร์ตหลังจากวันนั้น เอาเบิร์ช่วยทุกคนในหมู่บ้านของเขาเขาแบ่งของขวานของเขาให้กับทุกคนอย่างไม่ลำบากใจคนในหมู่บ้านเมฆใจคว้างและทำงานหนักไม่มีใครขอในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการหลายวันผ่านไปนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมในหมู่บ้านเขาสังเกตว่ามีบางอย่างแปลกไปในหมู่บ้านแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็ก แต่ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นและเขาก็เริ่มถามเขาถามผู้คนใส่ซื่อบริสุทธิ์ในหมู่บ้านพวกเขาบอกกับนักท่องเที่ยวหมดดินสอวิเศษเหรอเรื่องจริงเหรอฉันต้องไปเจอจิตกรคนนั้นนักท่องเที่ยวคือคนโลภเขาซ่อนตัวหลังต้นไม้ทันทีที่เห็นเอาเบิร์ตเขาก็ลักพาตัวเอาเบิร์ตอ๋อ นี่ใครกันเยียบฟังฉันฉันไม่มีเวลาทั้งวันนะเข้าใจไหมเร็วเข้าวาดรูปทัพทีมแพงๆ แ, และกระสอบเพื่อที่จะใส่มันเียวนี้เร็วเข้าเอบ ERT นำดินสอบของเขาออกมาและเริ่มวาดเขากลัวมากจนวาดได้เพียงก้อนหินนี่คืออะไรนายกล้าดียังไงมาเล่นกับฉัน ไอ้ hey, hey. ฉันจะวาดทองที่ส่องแสงสว่างที่สุดด้วยตัวฉันเองนักท่องเที่ยวไม่ใช่จิตกรจริ ง, รงๆแล้วเขาวาดรูปได้แย่มากเขาพยายามจะวาดส้อยทองแต่งูก็ปรากฏขึ้นอ้ oh, ช่วยด้วยขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังจะวิ่งหนีเอาเบิร์ตใจเย็นลงและวาดโครงใหญ่ขึ้นมา ทันทีที่โปร่งป่ากระึ้งนักท่องเที่ยววิ่งไปข้างในและปิดโรงทันทีหลังจากที่งูหายไปเอาเบิร์ตเรียกตำรวจมาแล้วเล่าเรื่องนักท่องเที่ยวเขาอธิบายว่าเขาโดนลักพาตัวและถูกบังคับให้ใช้ดินสอวิเศษเพื่อตอบสนองความรวบของนักท่อง <c oughs> เที่ยวความสงบกลับมาที่หมู่บ้านเมกทุกคนภูมิใจที่เอาเบิร์ตจัดการกับปัญหาได้ดีเอาเบิร์ต ได้รับบทเรียนที่สำคัญเขาคิดได้ว่ามันอันตรายแค่ไหนที่ได้ของมาโดยที่ไม่ต้องทำงานเขาตัดสินใจฝังดินสอไว้ใต้ก้อนหินที่เขาเจอดินสอเชื่อกันว่าดินสอวิเศษถูกฝังอยู่ใกล้กับต้นไม้โปรดของอัลเบิร์ตต้นไม้ที่พิกซี่อาศัยอยู่